ก็ตอบว่าเราจะยกไปช่วยท่านนั้นก็หามีผู้ใดจะอยู่รักษาค่ายไหมก็แต่แรกที่จะไปนะเราก็ได้ทักทานท่านแล้วท่านก็มิฟังก็จริงเป็นเวยขึ้นท่านนี้ท่านจะว่าเอาแกผู้ใดอะสิหลืองไม่ยินองเป๋งว่าเอาอย่างนี้ก็โกรธแครจะฆ่าองเป๋งสักนิดเดียวล่ะองเป๋งเห็นสเหลงโกรธนี่ ก็รู้เหมือนกันว่าความร้ายจะมาถึงตัวก็ได้ก็หวั่นหวาดอยู่ครั้งเวลาครั้งองปิงก็หทหารของตัวนี่แหละเอาเพลยจุดค่ายตัวขึ้นเลยเผาค่ายตัวเองซะเลยซีหลงก็ตกใจถึงค่ายหนีไปเสียส่วน อ, องปิง น, นั้นเห็นว่าจะกลับไปอยู่กับโจโฉ ก, ก็ไม่ได้แม่ซีหลงก็เข็ดแข้งัวมีอย่างนี้ ตัวเองก็เผาค่ายตัวเองเพื่อสิ่หลงตเตลเอไปนะก็ตะเตลเอไปแล้วแต่ตัวเองจะตามไปด้วยใครได้ไม่ทรยศเขาก็เหมือนทรยศแล้วชนี้องเป็งก็ตัดสินใจได้ไม่อยากนำกับมาฐานะนวกขรียน่าแม่ม้ำฮันซีไปสมัครอยู่ด้วยจูโล่เสลยองเป็งมาสมัครอยู่กับจูโล่เสลย ตัวอองปิงเนี่ยเข้าไปหาเหล่าป um. ีหยุดอยู่ลงพาอองปิงเข้าไปถึงกแขกดมับเหล่าปีและอองปิงเนี่ยก็บอกแกเหล่าปีขึ้นมาณตำบลทุ่งหันซวเนี่ยเข้าไปเจ้าอรู้ทางทั้งสึ่นอยุดเหล่าปีได้ฟังก็ดีใจละ ร, ราา่างเงี้ยไม่ทราบแล้วว่าได้ตัวอองเป๋งมาด้วประการได้อย่างไร อ, องเป๋งสัรพัดเลยประการใด้อย่างไรแล้วเนี่ยเราปีก็ดีใจละเขาจึงบอกเมื่อท่านมาอยู่ด้วยเราเนี่ก็ดีแล้วซึ่งการที่เราจะคิดเอเมนฮันตงนนเห็นจะได้สนบางความปรารถนาเราปีกล่าวดังนี้ก็เป็นการยกย่องให้กำลังใจองเป๋งแล้วก็ตั้งองเป๋งให้เป็นทหารสำหรับ นำทางเพื่อทำการซึกในครั้งนี้ต่อไปดัปนงนั้นว่าเรล่าปีได้องเป๋มาอยู่ด้วยคนมีองเป๋เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งกันที่ข้าฝัน่อโยงน่ะไปโกตธองเป๋เขาจนอ ง, งเป้เผาค่ายม่นก็อยู่ไม่ได้หนีมาหนีมาถึงโจอฉแล้นี่ก็กราบทูีความแก่ ต้องใช้คำว่าทูลหนอนะครับเพราะโจโฉนี่เขาไม่ใช่ในโฉแซโจนี่เขาคือพระเจ้าวีอองนี่สเดี๋ยวเขไปกราบพูนความบาดนี้องเตงเป็นขบถหนีไปเข้าในวยเล่าปีแล้วก็นี่ยนู่กราบทูลเท่านี้นี่โจโฉต้องกลัวเป็นธรรมดาสที่เหมือมือในกาบพูนนี่ ว่าเปนดี่วล่ำไม่เชื่ออองติง๋งชี้แจงรถตนยกทหารไปฝากข้างนูน้ถูกเขาตีเตลิดหาลนลมปายมากเลยหื่นไม่ได้กราบพทันนี้กราบพลัน อ, องติ๋งเป็นขบกหนีไปเข้าดีล่าปีแล้วโจโถ ก, ก็โกรธทีเดียวจึงยกทหารมาจะชิง่ขยตำบนผี่ทำซืยอคืนไม่ได้ฝ่ายจูโลงอนะ่ะอืมีม ช, ชัยช น, นะสิหลง จะว่ากับประการใดมาได้ประท่าซี้เนือกันอย่างรู้ดำรูแ้แดงตะกินหรแต่ก็ชนะปล่อยให้ซื้หลงมาล้อนดาธาทายจะเช้าถึงบ่ายถึงเย็นแล้วพอไปหลงถอยจยูเรื่องตรงจริงเรืนํากับกำลังไปกระทบหลังเอาเนี่ยอย่างไรก็ตามเพได้แชายชนะบ้างข่ายมัน่คนคงระบัดนีดๆรู้ข่าวว่าโจโฉยกมาก็เลยว่าจะตั้งอยู่ที่นั่นนี้ได้เพก็ล่าทับไปตั้งมันอยู่ แม่น้ำฮันซูฟาดตะวันตกตั้งอยู่ฟาดตะวันตกนะสั่งให้ฐานตั้งค่ายริมแม่มมน้ํานี่การดูจะคลา้คลายกันการดูจะคลา้คลายกันละ่ะทีนี้คือคล้ายๆกับสีหลวงกระทำเนี่ยคือวิธีการทางการมาประการเนี่ยใครก็ทําได้อย่างไรแต่ผู้ที่มัดเก็บประกาศของตํารานําเอามาใช้นั้น ส่อ น, นประกอบปัจจัยต่างๆต่างกันอีกตั้งมากมายนะผลจึงไม่เหมือนกันนี่ท่านว่าไว้ชะนิ้นี่เรามาดูกันบ้างจู่โลกต่างถ่ายอย่างนี้แหละขั้นฝ่ายเล่าปีพระเย็นก็พาคนด้วยออกไปดูธาตุทานดูภูมิประเทศทั้งปวงเชื่อถือเลยแหละท่าน้องเอาประโยชน์ให้ได้จากภูมิประเทศต่างๆนี้ด้วย ไม่ใช่ว่าจะใช่กันแต่กำลังรบกำลังทัพหรือตามตำราตำราที่ว่าไว้อย่างเดียวเท่านั้นหาไม่ได้เอาออกไปดูแล้วข น, นเบ่งก็กินว่าตําเบิลทุ่งฮันซีเนี่ยมีภูเขาอยู่ขั้นเหนือเป็นอันมากพอที่จะสร้งสมฐานได้สักพันเศษนี่ขนเบ่งดูแล้วก็พาทหารมาในค่ายให้เรียกจิว่งมาแล้วก็สั่งจิวเงจุดจิล้ง จนคุณทหารแต่ห้าร้อยคนเอากรองและเอากแกรไปด้วยไปอยู่เชิงเขาเหนือน้ำเวลากลางคืนถ้าได้ยินเสียงประทักจุดขึ้นในค่ายเราเป็นสำคัญเมื่อ ใ, ใดแล้วก็จงเร่องสถานเป่าแตรตีคองกรให้อีอิงอยู่นั่นแหละทำอยู่เท่านั้นอย่าได้ต้องออกรบพุ่งเลย ีสั่งรบโดยไม่ต้องรบขุนหลงเขาสั่งสั่งออกไปรบให้แพ้นี่เขาสั่งเขาบอกเลยไปรบครั้งนี้ถ้ามิต้องเอาใจ ช, ชนะหรอกให้ผ่ายแพ้ถอยมาอย่างนี้เป็นตน้นนี่การี่สั่งจีนเรื่องนี้เนี่ยเด็ไปเป็นแม่กองมอหูรีเพอย่างนั้นแหละให้ทหารเปล่าแกล้งปีกของกองในสนามวันไหวเท่านั้นพอจะเรื่องกรับคำ สุนทานมาซุ่มจิตตามคำที่คงเร่งสั่งเดิมที่ที่ดีคงเร่งบอกก็แล้วส่วนคงเร่งนั้ครเวลายลนก็ขึ้นไปบนเขาสูงพอยดูชันเชิงอยู่ว่าโจโฉเนี่ยจะทําการใด เช้าละฐานโจโฉจะเข้ารบเราปีกก็ข้ามาาเราฐานของตนรบลงให้สงบอยู่ในค่ายไม่ได้ออกต่อสู้ด้ยฝ่ายฐานโจโฉนี่ฮูริเฮรูกันออกมาละเอ๊ะขา้าดศึษเนี่ยให้ตระหัดใจคือคือพีอ่ก็เป็นการรบที่มันมันผิดกว่าที่เคยเคยรบมาแต่ก่อน บัดนี้มันมีอะไรที่นต้องแปลกจใจประหลาดใจอยู่เสมอออกมาจะรบกันอีกฝ่ายหนึ่งนี่คืออย่างนั้นแหละจนค่าไม่เห็นการศึกศัตรูทาอะไรเลยก็ชวนกันกลับกลับเข้าค่ายครั้งเวลาเที่ยงคืนขนเบ่งนี่ดยห็นฐานโจโฉอยู่ในค่ายที่คนไม่อยู่ที่สูนี้มาดูเห็นอีกทั้งแสงโคมก็มืด อ, อยู่ ผมเบ่งขยฐานจูประทักขึ้นเป็นสํสำคัญทีเดียวะสัญญาจู่ประทัดขึ้นสนั่นวันไหวจู่น่องตัางกองซุ่มอยู่กองโมรีที่มีแกลมีค้องมีกองเลยเนตัวโถ่ซุกองโมรีอยู่ได้ยินเนั้นก็สั่งทหารไ้กองเตาแกลมใ้พร้อมกันน่ะทหานตัวโถ่ไดยินก็ตกใจสำคัญว่าเราปีมาปล้นครยิบถานออกไปดู ก็กลับเข้ามารายงานก็เรียกว่าเข้ามาทูนพระเจ้าวิ๋งออว่าข้าพระเจ้าออกไปดูหาเห็นสิ่งใดไหมไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรครั้งเวลา ด, ดึกแล้วปีเสียงกรองเสียงกระทัดอีกนิดนิก็ประหาดใจอีกตั้งแต่เวลาคืนวันนั้นจน3คืน กองหมูมีของจูรุง่งต้องรรมมทําหน้าที่ปีกองเป่าแกลไม่ใช่ปีแกลเปล่ากองนะปีกองเป่าแกลสนันวันไว้สามวันสามคืนอย่างนั้นโดยใช้ฐานเพียห้รรมมาร้อยทำหน้าที่นี้ฟังให้ดีส่วนฐานโจโถทั้งกองทัพนี่แหละนอนฟังเสียงแกลเสียงกองสามคืนสามวันนี่เป็นอันหลักอันนอนกันเลยมันต่างกัน ตกหวาดกลัวหนุ่มก็จะมาไม่ไหนจะโจตีเข้ามาเมื่อไรจะทุ่มทิ้งหลุดไฟเผาข่วิญญาณไรประการใดนแม้แต่โจโฉเองคือพระเจ้าวีอ๋องนี่ท่านก็คิดขั้นคลั่งจใจนะในที่สุดก็สั่งให้ลาทับไปจากที่นั่นคือว่าถอยจากที่นั่นกลายออกไปประมาณ300ส0มร้อยเซนไปตั้งไข่มาที่กว่างขวางแห่งนึนขงข่มเบ่ง แรงวันนี้นก็หัวเราะและก็ว่าแกเล่าปีว่าโจโฉนเนี่ยดีแต่แกามารงฝ่ายเดียวคือ ท, ที่ว่าโจโฉเป็นผู้ชมาในการสงครามอะ่ะถูกต้องแต่ว่าชมานฝ่ายเดียวคือชมานฝ่ายรบกันท่าเดียวทอนนั้นเองหารู้อุบายสุดใหม่วันนี้ขอเชิญท่านเป็ดั้งค่ายอยู่ฝ้าข้างนู้นเถอะ เล่าปีได้ฟังของเบ่งหวานั่นก็ถามว่าท่านใช่เราไปนั้นนะท่านคิดมาไวประการใดอ่ะของเบ่งก็ริงว่าถ้าโจโฉยกมาครั้งนียฝ่ายท่านกับเหล่าฮองเบ่งปัดก็ให้ทำเป็นรบสู้รบด้วยแต่ทำเป็นแพให้แตกทิ้งไข่ทิ้งเครื่องสาดกลาวุษตะตามสมควรนี่ไง สั่งให้รบเพื่อแพ้แล้วผนเื่งบอกอย่างนี้แล้วก็พูต่อไปว่าข้าพเจ้าจะเตรียมถามไว้พร้อมทั้งปีกซ้ายปีกขวาไว้คอยท้าแม้ห น, นิงข้าพเจ้าโบกทนสำคัญก็จงกลับมาเขาปีฆ่าสุดเราปีฝังแผนนี้ของหกหลวงคงเบ่งตู่กัดเลี้ยงผู้อาจารย์แล้แบบนี้ก็เห็นชอบด้วยก็พาฐานข้ามฟ้าไป ตั้งค่ายฝ่านี้ก็ประหลาดใจที่จะเอาอยัางไงกันเขียนนสือให้ถานถึงแก่้ๆเราเปลียวว่าจะมัดรบกันเวลาอะไรจะรบกันเคนเื่อก็ตอบดีๆว่าจะรบกันเวลาผู้ ว, วิคนเมื่อก็ตอบไปอย่างนี้ครั้งเวลารุ่งเช้าต่างคนต่างก็ยกถานมาหยุดหยู่หน้าเขาเงาไกลสัน รมกันทั้งสองฝ่ายอะโจโฉนี่ตอนนี้ทว่ารแล้วยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าวีอ๋องแล้วเนี่ยแต่โจโฉก็ยังบัญชาการร บ, บดิวยตนเองนำตนเองออกสูท่ทิธภูมิเช่นคนอื่นๆเหมือนกันแหละนี่โจโถขี่ม้าออกมายืนอยู่ริมธงรบคือรงประจำตัวให้ัานตีกรองสามผมเรียกราวปืมาพูดจา ก, กัน เอาเหล่าห้องหนึ่งตกับพันมืเสียชวนซึ่งได้ไว้น่ะออกมาด้วยโจโฉเอาเหเล่าปีออกมาก็เอาแช่มาชี้หน้าเหล่าปีทีเดียวนี่เป็นการดูถูกกันอย่าง ท, ที่จะกล่าวละเอาแช่มาชี้หน้าเนี่ยถือเป็นเรื่องการดูถูกกันยิ่งที่สุดแล้วแล้วก็ร้องด่าเหล่าปีทีเดียวว่าไอคนอัตตัน ม, มืเสียสัดปรับมาทุเร์ยศ เป็นศัตรูกับเจ้าแผ่นดินโจโฉนายอย่างนี้เราปีก็ตอบว่าท่ามาดูหมิ่นเราชนี้ไม่ชอบเราเป็นเชื่อเพราเงินเพระเจ้าหินเตะถือรับสั่งมาปราบปรามศัตรูรดยาสมบัติตัวทำผิดข้าพระกรรมาห์เหวี่ยงสีพระเจ้าหินเตะเสียตัวเป็นเจ้าตั้งตัวของตัวเองขึ้นเป็นเจ้า ที่สําคัญของโจโฉมีอยู่ที่ถูกกล่าวหาได้อย่างยิ่งเลยเนี่คืออันนี้เป็นดรื่องที่แก้ตัวไม่ได้เลยทีเดียวตั้งตัวของตัวเองขึ้นเป็นเจ้าจะเบียดเบียนชิงราชสมบัติให้เกินศักดิ์ตัวตัวยังจะขี้อัดตัวไม่เป็นขบวอีกหรือนี่เราปีนดากลับไปอย่างนี้พ้าจะมาถึงข้อว่าข้าพระอัครมเหสีนี่ข้อนี้จริงแต่ก็มีข้อ แก้ดัดด้วยหลักฐานทุกประการพร้อมอยู่ว่าพระคารมเมศสีนี่แหละทั้งตัวการสำคัญที่ลังคิดล้างพลานชีวิตโจโฉก่อนแต่ข้อที่ว่าตั้งตัวของตัวขึ้นเป็นเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าวีอ๋องเนี่ยมีข้อนี้ไม่มีทางเถียงเอาระยังไรก็ตามจะข้อหนึ่งข้อสองก็ตามที่เราปีดามันโจโฉนะั้โกโรธเป็นที่สุด สั่งซิกหลงออกรบเราปีเลาาพีก็สั่งเหมือนกันสั่งให้เหล่าฮองบุตรน้องตัวนี้ออกต่อสู้ด้วยสิกหลง สิหลงสู้สิหลงไม่ได้แต่เยรินคำสั่งของฮกหลงผขดบ่งสั่งมาแล้วให้แพ่นะฮะรบให้แพ้นะเขาต้องกลัวอะไรก็อยากแพ้อยู่แล้วรับปืนี้ก็ทาเป็นแตกหนีแต่ความจริงไม่หนีก็ต้องหนีอยู่แล้วละอะเหล่าฮองเหย็ดสู้สิหลงไม่ได้หรอกอรอบ ป, อนอปอนนนีนี้ก็ฮกหลงรวมมินทีเดียวก็ทาเป็นหนี โ, โวเห็นเหล้าปีนี้ยังก็สั่งถานนันกลงว่าถ้าผูดด้ใดจับเหล้าปีได้เดี๋ยเราจะปูบําเหน็จให้เป็นเจ้าเมืองเสฉวนนีบาเหน็จมันมหาสาอย่างนี้ถ้าหารทั้งปวงได้ยืนดังนั้นก็โห่ร้องไห้ไปตามจะจับเหล้าปีล่ะมันไม่ยากนี่ถ้าจับได้ก็จะได้เป็นเจ้าเมืองเสฉวนนีบาเหน็จท่านมีออกให้ถึงหนึ่ง ฝ่ายเราปีหนีแน่นอนทหารท่านเก็หนีด้วยเราปีกับทานเบลก็ทาเป็นแตกหนีทิ้งเครื่องสาตราวุ้กเนี้หนีมาทางตะบนฮันซุยทิงข่ายหนีมาด้วยฐานโจโฉไลตามปีกมาได้ค่ายก็ดีใจที่มีค่ายอย่งตงไรมีของก็เข้าชิ้งสิ่งของต่างๆเครื่องสาตราวุ้าากะสมุนเท่าทีจะมีในขา่ายน่ยแย่ทิงกันอึ้งอุนทุลมนอยู่ละ โจโฉก็ให้ตีมารอกเรียกทหารให้หยุดอยู่ทางรัฐบาก็จรงว่าขบเจ้าจะไล่ตามจับตัวเราปีมาให้ได้น่ะเหตุใดท่นานึงตีมารอกเป็นสัญญาณเรียกข้ามไว้เช่นนี้เราโจโฉโจโฉี่มีปัญญาจริงๆโจโฉก็จริงว่าเราพริเคราะห์ดูการมันผิดประหลาดอยู่ซึ่งเราไีข้ามมามาตั้งข่ายฝา่าทางนี้นีง นิคทำเท่าไรก็แตกไปชนิดนี่เป็นที่สงสัยข้อนี้และที่ทิ้งมาเบอกอ่านเครื่องสารลาบุกไว้ในค่ายเป็นอันมากเนี่ยนิคก็สงสัยเป็นข้อสองเราควรจะล่าทับ ก, ก่อนอย่าเพิ่งจะถานทั้งวงเก็บเอาข้าวของเรานี้เลยถ้าผูดด้ใดไม่ฟังเราจะต้องเอาโทษถึงตาย ว่าแล้วก็วิ่งเล่าทับกลัดโจโฉเตงทีเดียวถ้าจะว่ากึ๋นก็ทุบว่าโจโฉมีปัญญาแต่ความฉับยวไหวของปัญญานี่มันจะทันกันหรือไม่ขเมื่อโจโฉล่าทับกลับไปนั้นโขนเบ่งท่านก็เอาโทมสําคัญขึ้นโบฝ่ายเล่า ป, ปีนโทมสำคัญแค่นั้นแล้วนี่ก็โยกฐานกลับมาทา่านควรจะรู้กันดูแล้ว ก็มีกำลังใจหด๋ยอาจารย์ลุกหลงวังลูกม้ไว้แล้วลนี่ก็ยกฐานกลับห้อง ป, เ ป, ปเองเป็นปีดขวาจูเล่งเป็นปีดซ้ายปีกระหนาบเข้ามาทั้งสองข้างสิโจโถ ก, ก็ม่อาจจะซื้ได้แต่หนึ่งกลายนสาบ้านนะเราปีตีกระทบึ้นไปนี่ห้องปงตีมาทางขวาจูเล่งปีมาทางซ้ายเนี่ย กองทัพโจโฉหนีตอนนี้นไม่ใช่กล้งหนีแกล้งแตกแต่จริงๆหนีจริงๆผมนบินก็สั่งให้ตตามในเวลกากลางคืนนี่แหละขนาดนั้นโจโฉหนีหนีไปจนใกล้ถึงเมืองลำเต็งเวลกากลางคืนนี่แหละแล้วก็เห็นทูนุขึ้นในเมืองลำเต ง, งทั้งสี่ทิศเลยนี่ก็ตกจใจเป็นที่สุดก็รู้สเสียทีแกฆ่าสเชอแล้ว สพมปศนีน้กล่าวได้ว่ายิงทั้งเข้มและทั้งคนหนักขึ้นทีเดียวฮกอิงออกสำแดงเด็กแล้วใครคนนี้เราเห็นได้เลยว่าต่างกันมากคนน่งนี่ใช้วิธีการรบโดยทุ่มเทกำลังชีวิตไพ่ผลไม่ใช้แบบนั้นเราจะพอสังเกตได้มาตลอดแต่บุญเตนมอาจจะเป็นรถบุ่เติมเรแหกมา ก็ไม่มีทหารมากมายนะอาจจะเป็นอย่งนั้นก็ได้แ็จะว่ากันแต่โดยแท้จริงนั้นคนเบื่งไม่มีจิตใจที่จะร่าพลานชีวิตมนุษย์ทุ่มชีวิตผู้คนเข้าไปเพื่อเอาชาชนะนี่ไม่ใช่เช่นนั้นเลยเอาการสู้รบเป็นการนาประการนี้ก็จะใช้ว่ากันยิ่แง่เลยปัญญาเอาความชนะเปนต้งได ตอนนีถ้าว่าโจโฉก็มีปัญญานะไม่ใช่โจโฉไม่มีปัญญาแต่ว่าโจโฉประชันมานในทางด้านการยึดตัาอย่างเดียวคือทุ่มกำลังเข้าบทขยี้กันเท่านั้นะโจโฉประชนมานแต่ถวัถดถวันที่จะอ่านกนสึกันตานาประการนีกโจโฉรู้ลิ้กันแต่ว่ารู้ทีหลังรู้ชากว่านี่คนเดินหอปีใช้คลวิธี โจโฉจนหลอกล่อกันเข้ามาจนโจโฉ ร, รู้ตัวจะถอยที่มันเกินกว่าการไปแล้วเขาเกลี่ยน้ำย่ําแย่นี้ก็เลยเพลินจะกลับไปลำติง๋งได้ถึงลํำติ๋งที่อ้าวแล้วกันไฟแองฉานดูในเมืองทั้งสีคือเนียกันว่าแสงเพลินจับท้องฟ้าละ่ะเมืองตกเป็นทะเลเพลเพเินไปแค่แล้วนี่แต่นอ่นี้เขาจิงรู้ว่า ค, คสีแก่ข้าศึกเสแวลำเป็นเสียแก่ข้าศึกเสแล้วที่เสียเนี่ยก็เพราะว่าขนึ่งส้นยนหนัไปเปลีปป่ยนติวิวีเอียพอติววีเอมานี่ก็มีตรงมาเจอหน้ากันรบรือคาสั่งไปงตีโดยลำเป็นขณะที่โจโฉอ่ามาไปอยู่ทุ่งหันซีเนี่ยเป็นฮันหวาลำเป็งก็เสียแก่คนึ่งหลปี มีเียญเมืองลำเป่ได้เสีย ก, ก่อนแล้วโจโฉไปถือนกข้าวเมืองไม่ได้โจโฉก็เลยต้องหนีต่อไปหนีไปยังนานเองก็กลนวละต <c oughs> อนนี้สิรอปีขนเป่งจะติดตามบทเยี่โจโฉยังไร โฉวข้าวลำเต๋อ็มได้นี่แต่เล่าปีของเบงข้าได้ก็เข้าได้สิโคตรนี้มีเหวินเข้าไปยึดไว้ให้แล้วนี่เล่าปีขงเบงก็เข้าไปเมืองลำเต๋อก็ทั้งามหน้าที่เกียวกับอำนาประเทศราชระดับนี้อยู่เป็นปกติก็เป็นอังวัดยึดมืองลำเต๋อเป็นศูนย์บัญชาการรบที่สําคัญเด็กเก่าเมืองเข้ามาในเวนแคว้นแดงหุ้นโตแล้วล่ะ แล้ววันนี้รอปีก็ถามผลเบ่ง ว, ว่าซุ้มโจโฉยกมาทําการด้วยเราครั้งนี้เหตุใดจิมพากลางเสียทีแกเรานั้นด้วยเหตุใดอ่ะคือแล้วปีกล่าวโดยความจริงจะในใจเรีเนี่ยก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะได้ชัยชนะอบรมสั่งการบ้านู้นฝั่งการบ้านนี้ กองนี้ไปทำอย่างนั้นกองนั้นไปทำอย่างนี้อยู่ลงห้องตนไปทำอย่างนู้นต่างานานาประการแล้วก็ได้ชัยชนะขึ้นมาเนี่ ย, น, ยนุ่นนึงงานต่ชัยชนะอันนี้จนถึงต้องถามเนี่ยก็เจ้าตัาการอกเราคนนี้ว่ได้ยินภาพทั้งเสีีกับเราไม่เห็นประการใดของเบ่งก็ตอบทีเดียวว่าพี่ต้องอ่านสันดานกันให้ออกของเบ่งเนี่ยอ่านสันดาณคู่ต่อสู้ได้ชัดแจ้งมากของเบ่งตอบว่า โจโฉเป็นคนมีสันดานมักคิดสงสัยมากทำมานแต่การใช้กำลังทหารรบซึ่งเดียวเหตุการนี้จึพ่ายแพ้แกเราโดยง่ายมีคือเหตุผลความพ่ายแพ้ของโจโฉ ว, ว่าปีก็ถามว่าบัดนี้เห็นโจโฉตอนนี้ไปอยู่ด่านเองเป็นขวนเอ่อ ที่อยู่พวกเดียวท่านจะคิดอุบายประการใดจึงจะได้ตัวโจโฉเรนี่คือคําถามที่สําคัญที่สุดเลยอ่ะทํำยังไงจะได้ตัวโจโฉเรเพราะถ้าได้ตัวโจโฉแล้วละก็พูดได้ทีเดียวว่าเราปีนี้แหละจะไปยุ่งวุ่วุนแ ผ, ผ, ผ, ผนดินกีนทั้งปวงให้มาเป็นอันดับอันเดียวได้เลยทีเดียวทํำยังไงจะได้ตัวโจโฉคนเบ่งก็จริงว่า เขาไปเจ้าคิดไวแล้วจีนี่เปียวฮุยกับปิ๋เอียนพาทหารไปสองฐาง ก, ก้าวสะกัดตัดเสบียงโจโฉให้ด่าแล้วจีใช้หองตงจูลง่งไปเผาหนทางวิ่งเขาขึ้นโจโฉจะหนีไปนั่นเถอะคนเร่งสั่งการเลยทีเดียวก่ออวิทย์เดวารุณแต่ยอดทหารเลยเปียวฮุยจูลง่ง ไปีหไปกับอีเอียนปีตับสบีโจโฉจูน่นไปกับพองโปงพอรู้สึกว่าจะเป็นคู่ขาที่เข้ากันได้อย่างดีมีการสงครามมีความคิดแผลจะเรีกโดว่าเป็นยี่หมิงอย่างเดียวคนหนูแม้แต่ตอนแรกจะมีการขัดกันอยู่บ้างก็เป็นการขัดกันเพื่อจะชิงความมีความชอบเท่านันเองละ่ะผมได้สั่งสองกองนี้ไปดังนี้นายฐานทั้งสี่นั้นก็รับคําแล้วก็ลาหล่อปีคนเด็ก คุณทหารให้คนนำทานไปโจโชอยู่นักด่านเองเป็นป่วนใช้ให้ฐานไปเที่ยวสอดแหนมดูทุกตำบล น, นี่โจโฉก็ไม่เคยไปหยุดนิ่งอยู่ละให้ทานไปสอแดแหนมดูครั้งฐานที่ไปเที่ยวสอดแหนมดู ทั้หวงก็กลับมาทุลแกโจโฉว่าบัด น, นี้เล่าปีให้ทหารไปตัดไม้ทับทางน้อยทางใหญ่เสีซึ่งแล้วแล้วก็เพลิงจุดไวด้ไม่รู้ว่าเล่าปีจะซุ่มฟ่อนฐานอยู่ที่ไหนแม่นี่คือรายงานโจโฉได้ฟังรายงานแค่นี้ก็คิดสงสัยทีเดียวขนาะ น, นั้นก็พอดีมีผู้กลัามารายงานอีกเป็น นดับสองว่ะเปลวหวีเอียงยกฐานมาสกัดจะทิ้งสบียงของเราแล้วโจโฉก็ถามถามใปนปวงีู้ว่าผู้ดใดจะอาสาสู้กับเปลวหุวีเอียงได้บ้างนะเข่าวทเข่าวทเขาวทูก็คือว่าข้าพเจ้าจะขออาสาไปสู้ให้ได้เองเขาวทูนี่จัดลาบากฝีมือเวียบเยเป็นชั้นที่หนึ่งเลยทีเดีย ว, ว เฉ็นงมาเชียงเห่านีนี่ฝีมีอจอมรู้ธอรู้คล้ายกันเนะีเขาทูก็รู้ฝีมีเปียวหุีเหมือนกันจินอาสาอะเจโาทก็จับฐานที่พันเขาทูก็รีบคุมฐาจนจมวองั้นไปตามทางบ่านอิงป็นกวนเพื่อคอยป้องกันสเสบียงทีเป็นอันตรายขางฝ่ายคุณมนางที่คุมเสบียงมาเนี่ยออกมาพบเขาทูเขาก็ดีใจเขาคิดว่า าราไม่ได้ท่านก็คงจะไม่ฉุนดานเองเป็นผัวได้เอาคุณนางคุณสเสบียงว่าเกินมันแล้วก็เอาเห้าเอาข้าวเอาสุดก่อนออกมาเรี้ยงเขาถูเขาถูกก็อิ่มสุราอาหารเหล่านั้นแล้วก็เดินมามากเลียงเสบียง ม, มาเตียมโลกเป็นแม่กองสเสบียงครั้งมาถึงกลางทางคุณนางที่คุณสเสบียง ม, มาก็ว่าแต่เขาถูอะเวลานี้เย็นแล้ว นานี่ก็ตำบลเมืองโตจิวปะเป็นเขาริมพานเปียวอยู่เราจะไปนําบัดนี้นะก็เห็นจะไม่พ้นภยัยเขาทูก็ดีว่าเรามีกำลังพลังและฟิือที่ตังจะตัวอะไรก็สะปูในเวลากลางครีมงแสงเดือนก็สวา่างเวลาจะมาหยุดอยู่ห์ฉชนนี้ คือไม่ยอมให้หยุดเขาถูกก็ขึ้นมาออกนำมากเยงมาทีเดียวเวลาประมาณยามเสร็จก็มาถึงเขาลิมพานเนโตนีีมาถึงนาเพียงสำคัญแล้วก็ได้ยินเสียงกองเสียงแปร อ, นอินทีเดียวขันตต่อเตียงอีเตหีเห็นดังนั้นก็ควบมาถือทวนตรงเข้าไลา่เขาทูเลยทีเดียวละ เดียวหุยเข้าไล่เลยไม่ไม่ต้องเจ ร, รจาด้วยแล้วเลิกพูดกันทีเขาถูกก็ใช่ว่าจะหนีเขาถูกก็กระต้นมาเข้าประทะรับเพลงทวนเปียวหุยเหมือนกันเขาถูกรบกับเปียวหุยด้วยกําลังม้มาอิสราณ์ก็เสดุรามมากเขาเรียนหนักอยู่กสุไดไมีคํากิดเลยกเตียวหุยก็อดทวนแทงถูกเข้าที่ไหของเขาถูกถึงตกจากหลังม้าเลย ทหารที่เนี้ยที่เขาทู ก, ก็ทิ้งเปี่ยนนั้นว่าเปลี่ยหุยชิงสะเบียนได้ได้เปี่เด็สเบียนกลับมาส่วนทหารที่เอาตัวเขาทูไปได้นั้นก็พากันเข้าไปหาโจโฉโจโฉในนั้นก็เรียกหมอหลวงมาพยาบาลเขาทูทันทีเลยแล้โจโฉก็ยกกลับมาทำสงครามด้วยเหลาปีเหล่าปีเห็นโจโฉยกทัพกลับมาเนี่ย ก็จึงให้เหล่าฮองลูกเลี้งคุ้มผ่นออกไปโจโฉนี่นก็จึงว่าไอ้เหล่าตีนี่มันจําพอจะต้องให้ไอ้เหล่าฮองไอ้ลูกคนขายเกลือออกมาต่อสู้กับเราไม่สมควรเราเท น, นุเราชื่อโจเจียงเหลือลงออกไปต่อสู้ฟันด้วยนี้อมันละเอียดไปโจโฉว่าอย่างนี้มีถุนดูหมิ่นเย็ดย้ำกันยังหนักเลยเหล่าฮอง หลูเลี้ยงของเหล่าปี๋ได้ยิ น, ยนก็กรัพวกมารันทวนเข้าไล่ทหารโจโฉแต่โจโฉพูดว่าให้โจเตียงออกสู้เปล่าวะโจโฉให้ซีหลมออกสู้เหล่าหองก็ทำเป็นชักมา้าหนีโจโฉก็ผลฐานไหวติดตามเหล่าหองไปทีเดียวข้างฝ่ายเราปี๋อยู่ในใค่ายแรงหินกระนั้นค่อยฐานจุดประทัด ไปคลองกลองเป่าแกร้ออิงขึ้นโจโฉเห็นว่ายังมีฐานซุ่นอยู่มากนี่เสียงอืออิ้งอึกกระพรบไปหมดโจโฉนี่คิดลึกคะแล้วก็ตกใจกลัวก็ให้ทหารับถอยหนีหนีมาถึงกำแพงด่านเองเป็นขวนซึ่งเป็นที่ยืนนั้นทหารเหล่าปีกตามมาถังร้องเข้าทั้งเสทิศจุดโพลโหร้องขึ้นร้องกันโจโฉก็ตกใจหนีออกจากที่นั้นไปเลยทีเดียว เมื่อติดจเฉหนีไปนั้นนะเปียวหุยคุณหานหนูมันตั้งส ก, กับอยู่ข้างหน้าน่ะจู่วนลงคุณหานใ่พวกนึงรบประชิดติดหลังมานี่โจโฉนี่พะจมสุดหนักหนาอยู่กว่าใครใดทั้งสิ้นยิ่ง น, นะแต่เราถึงแกกอยู่ประกันึงเป็นความแปลกที่เจ้าสามกบฉบับไหนก็ตามท่านนี้ได้กล่าวไว้หรอกคือว่า จโจโฉถึงคราวอับจนก็ม้ต้องร้องไห้จโจโฉไม่ร้องไห้ไหมครับเ่าขันมาจู่ลขันมาเียววิขานหลังจู่งนอกจากนั้นองต์ปทหารเทายอดฝีมือคุณทานอีกหมวดหนึ่งเร่งยกมาตามทางเมืองโตโจีเนี่ยจโจโฉก็หนีครั้นหนีมาถึงตําบลหุบเขาเสียกกเห็นผมคลีฟุ้งขึ้น มีถามเดือดดึยกมาโจโฉก็จรงว่าถ้าเป็นฐานของเหล่าปีมาซุ่มไว้ก็เห็นว่าเราคงจะถึงความตายนะที่นี่เป็นมั่นคงอี่โจโฉก็โลร่งตนโปรงตกเหมือนกันแต่นี่ต้องถึงน้ําตาตกดังเช่นเหลาหยวนเตะปีเป็นประการใดตายถ้ากองนั้นเป็นกองของเหล่าปีตายว่าเท่านั้นแหละ ก็พอดีฐานั้นเข้ามาใกล้ก็จึงได้เห็นว่ากองที่เข้ามาใกล้แล้วเนี่ยกองที่พุ่ตะรุยเข้ามาเนี่ยคือเจ้หลวงเหลือง น, นั่นเองโจเกียงผู้เป็นบุตรคนที่สองยกมาก็ดีใจที่นี้กล่าวถึงโจเกียงมีสึกวิ่อันโจเกียงที่เนี่ยเมื่อครั้งยังหนุ่มน้อยอยู่นั้นก็มักชอบการขี่ม้ายิงเกาทันมีกําลังยิ่งกว่าคนทั้งหลาย โจโวผู้บิดาก็ได้สั่งสอนว่าจเจ้าไม่พอใจอ่านหนังสือพอใจแต่จะขี่ม้ายิงเก่าทันศิลปศาสตร์นี้ก็เป็นประโยชน์มีกำลังแต่ผู้เดียวแต่ไม่มีเกียรติยศหรือโจโวก็ชี้ให้เห็นความสำคัญของหนังสือโจเตียนนั้นก็ตอบแก่โจโวผู้บิดาว่า อันศิลปศาสตร์สิ่งนี้ก็เป็นการทหารสำหรับผู้ชายอาจสามารถจะคุ้นฐานได้ถึงแส น, นจะหาความชอบรักษาแผ่นดินก็จะดีกว่าเรียนหนังสืออีกวิเคราะหเหตุของโจเยียงคนหนุ่มละเห็นว่าการต่อสู้เดยกกำลังฝึกมีสามารถควบคุมทหารได้เนี่ยหืมดีกว่าเรียนหนังสือเจ้า ก็ถามหุตทั้งวนว่าซึ่งโจเกียงว่าดังนี้น้ําใจหบุดทั้งปวงผููใดจะรับประการใดบ้างหมตทุเรนคนหนึ่อยู่โจโฉมีบุตชายหลายคนก็แต่โจเกียงผู้เดียนั้นตอบว่าข้าพเจ้ารับจะเป็นทหารนี่เรียกคนหนุนพร้อมทีเดียวละโจโฉก็จึงว่าจะเป็นทหาร ขนาดม่อเจ้จะต่อสู้สงครามมันจะทำประการใดในกระบวนกสงครามโจ้ากินก็จริงวาข้าดเจ้าจะทำสงครามกต่ขคาสึกมันจะใส่เสื้อกลอหรืออาวุธออกมาทหารทั้งปวงถึงจะอับจนก็ไม่อะไรแก่ลูกเมียเลยาทหารผู้ใดมีความชอบในสงครามก็จะตป็นบัณฑิตถ้าผู้ใดมีความพิษ จะลงโทษทหารชีวิตเชียตามโทษนี่คือคำตอบของทหารแพร้ล่ะโจโฉได้ฟังนั้นก็ดีใจวรอและก็จริงว่าเจ้าคิดดังนี้ชอบอยู่แล้วนี่เป็นการกล่าวย้อนกันนิดหนึ่งไหมครับพูดถึงลักษณะของโจเตียงเจหมวดเหลืองที่มาช่วยโจโฉเนี่ยเป็นบุโจโฉเนี่ย ในขณะนั้นนะเป็นตอนที่พระจ้อยู่หัวเตมมาอยู่มืงหกหโตได้ยีปีก็พอดีอหวนซึ่งอยู่เมืองไต้กุนคิดการขบถโจโฉก็ได้โจเตียงผู้เป็นบุตรคนนี้เพล่อับการทหารเป็นที่ยี่สิทำหน้ า, าที่ทหารยกทหารยกทัพห้าหมื่นไปรบมีไต้กุนแล้วก็สั่งสอนว่าซึ่งเราอยู่บ้านอยู่เรือนนั้นก็เป็นพ่อลูกกันบัดนี้ กจะไปการทับการซึกก็เหมือนฆ่ากับเจ้าอย่าได้คิดประมาทนีโจโฉแยกการบ้านการเรียนกับการเรียนการสูงครามต่างกันเลยแยกกันออกเลยคือว่าถ้าผิดก็จะต้องเอาโทษตามผิดเราได้สั่งสอนแล้วเจ้าจงควรจำเถอะ แต่เท่านั้นแล้วโจเกียงก็ลาโจโฉยกไปเมืองไต้กุนถึงทิศเหนือก็ได้เขารบพุ่งไปอวววนอวววนแต่ผ้าแพนีปไปไปยังตำเนวยมสองเขียนโจเกียงก็ติดตามไปก็ปราบปรามเมืองไต้กุนราบคาบนี่แหละเป็นเหตุที่โจเกียงพอปราบไต้กุนราบคาบแล้วปราอววนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้ข่าวว่าโจโฉผู้บิดามาตั้งทัพรบกับ เฉยชวนคือเหล่าปีคนเด็กยังดังเองเป็นกวนเนี่ยโจเกียนเนี่ยก็จึได้ยกมาช่วยเนี่ยนี่ในการมาสัมพันธ์กันตรงนี้เอพี่โจเกียนโผลมาช่วยกันเฉยเฉยเนี่ยโจโฉเนี่ยเห็นโจเกียนเข้ามาก็จึงพูดว่าเจ้ามือเหลืองดุกลมาถึงแล้วการซึ่งจะสู้รบกับเหล่าปีเห็นจะไม่เป็นไรนะ แล้วก็พากันยกไปตั้งค่ายอยู่นักขาวเสียดก ก, ก็มีผู้นาข่าวทั้งสิ่งนี้ก่อการทั้งปวงเนี่ยไปแจ้งแกเราปีให้ทราบว่าบัดนี้โจโฉพาโ จ, โจเกียร์ผู้บุกยกทัพกลับมาอีกแล้วโจโฉแพ้แล้วแพ้ อ, อีกแพ้ย่าแพ้แย่เนี่ยแต่เราเห็นความเป็นเลืดนักสู้ในโจโฉนี่ยังแพ้จริงดยทีเดียวไม่หวันว่นหวาดไม่ท้อถอย และนิต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้ข่านราบีได้ข่าวนิคือโจโฉหนีกระเดื่เปิดต้นแล้วได้ข่าวว่ากลับวไวีกเช่นนก็ถามกระทหาทั้งปืนว่าผู <C 'm. S 1> ้ใ ด, ดจะอาสาไปรบ ก, กับโจเทียงได้บักเหล่า้องบุกเลี้ยงเหล่าปีเ <c 'm. S 1> คยฟังสพประมาทับโจโฉเข้าไว้นี่ว่าไอเหล่า้อง ไอ้ลูกเลียงหล่ปีไอ้คนตะขอเสือขายเกลือจะต้องให้ลเราโจเกียงหนวดเหลืยงมาสู้รบด้วยสับมือเช่ละเอียดเนี่ยใช่ไมวันนี้เราปีถามว่าใครจะอาสาร่กับโจกเยียนในบ า, ง, นเางเนี่ยเล่าฮองนี่ก็รับอาสาทีเดียวว่าข้าพเจ้าจะขออาสาไปฝ่ายเบ้งตัดได้ยินแค่นั้นก็เคยออกศึกออกสงครามคู่กับเล่าฮองมาอยู่นี่ไม่งตัดก็อาสามาเหมือนกันวะ ถ้พระเจ้าจะขอไปด้วยเหล่าปีก็จริงว่าครั้งนี้เราจะดูท่านทั้งสองว่าฝีมีความคิดสติปัญญาใครเนจะดีกว่ากันและเหล่าปีก็จัดทหารในคนละ 5, ห้าพันเหล่าฮองเป็นทัพมากเบ่งตัดเป็นทัพนุ่นและทั้งสองก็ลาเหล่าปียกทหารไปละ่ะครั้งไปถึงกองทัพโจเกียงก็เข้ารบพุ่งกับโจเกียงในสาเพื้น เหล่าห้องก็แผลถอยหลังมาส่วนเบิตาเห็นฉะนั้นก็ขับฐานหมุนก็ไปเขารบกันเห็นฐานโจโฉและโจเตียนวุ่นวายเหตุด้วยมาเฉียวงอหลังซึ่งเป็นหานของรอบปียกตามมาพายหลังตีกระทบกับพวกหมุนเ่นิกตาเห็นได้ทีฉะนั้นค่อยฐานโวร้ตีเกินมาเข้าไป ร้อมด้วยกับม้าเฉียวทั้งสองทัพสองพวกนี้แหละไปทหารโจโฉในที่สุดทหารโจโฉโจเกียงนะ่ะก็แตกพ่ายหนีไปเป็นอันว่าอจูโจเกียงถูกม้าเขียวต้องถือว่ามาจากไหนก็ไม่รู้กระนํำเอาเรืดไปเลย แตว่าโจเกียงเนี่ยเห็นทหารแตกพ่าแล้วเนี่ยรูวใจเพื่อเดียวก็เข้ารบกับมอหลังนั่นแหละคือคือขนาดตีแตกก็แตกชู้่็สู้เนี่ยอา้าวกำบังชุดมูลกันอยู่เนีสู้ไม่ทันถึงมเพลงรอกโจเกียงก็เอาทวนแทงถูกที่สําคัญมอหลังเข้าตกหลังมาลงไปถึงแก่ความตายอ้าวมอหลังไปโจเกียงไม่พิชนะขึ้นมาอีกฐานทัพต่างก็กลับเข้ามารบอีกก็มิทันได้แพ้ได้ชนะนกระ โจโฉนั้นขุนทหารถอยกลับมาตั้งอยู่ณ ห, หุบเขาเสียกก็โจโฉก็คิดอยู่ในใจว่าเรามาตั้งอยู่ที่นี่กว่าชาตานแล้วครั้งจะยกไปในบัดนี้หรือก็่กมาชิ่วยังต้านทานอยู่คิดว่าอายแกพวกข่าสึกก็หยุดอยู่อย่างนี้ก็ไม่อาจจะยกไปนี่เป็นสุกตอนสําคัญตอนหนึ่งของโจโฉเขาละนะครับคือว่ามันกระอั กระอวนใจโดยเฉพาะที่สำคัญยิ่งโจโฉเคยปัดหมวดปัดผมเอาผ้ามาหอหมดหนีมาเฉียวกระเซอะกระเซิงมาย่ำแย่แล้วอแต่ความจริงก็ไม่ใช่ว่าทอถอยทวาดตัวหรอกแต่ถ้าจะหนีเนี่ยคือถ้าจะถอยเนี่ยมันก็จะเบ่งชัดถึงความหวาดกลัวมาเฉียวที่ ทหารทั้งเปลืงทั้งปืนทุกคนก็จะเรื่องรู้การมีสิก็กินวะอายุไม่รู้จะทำอย่างไรได้มันกระอักกระอ่วนนะ่ะฝ่ายพ่อครัวครั้เเงเดือนกันก็เอาไก่ต้มตัวนึงเข้ามาถวายแก่พระเจ้าวีอองคือถวายโจโฉเนี่เป็นอาหารเย็นไก่ต้มตัวนึงโจโฉก็กินเนื้อไก่กินเนื้อไก่จนหมดแล้ว ก็เหแต่กระดูกไก่คอับก็ตะเกียบหยิบเอาขาไก่ขึ้นมาดูอยู่มาชูขาไก่ไว้เนี่ยแล้วก็ดูอยู่ก็รำพึงอยู่ในใจวันเนี่ยจะขาไก่เนี่ยจะทิง้งซะ ก, ก็เสียดา ย, ดยมันยังมีรสอร่อยอยู่ขาไก่เนี่ยมันเปรียบเหมือนการสงครามครั้งนี้เรื่การสู้รบกันอยู่อย่างนี้ ก็มีที่จะแพ้จะชนะกันลงไปไม่ไรแต่ถ้าจะเลิกจะระเสียมันก็อับประโยชน์โดยสำคัญนั้นก็ร่อ ม, มาเชียวจะทำยังไงจะเอาชัยชนะมันก็ยังไม่สะดวกไอ้ข า, กาไก่ดีมันอร่อยจะกินก็กินไม่ได้จะทิ้งก็เสียดายโชอโฉรำพึงอยู่ดังนี้ก็พอดีแห่หัวตุ้นแหหัวตุ้น ทนตาเดิวแฮรวเอียน e จบสิ้นชีวิตเสียหัวให้กับฮองตงผู้เท่าไปแล้วก็เหลือแต่แฮตุนหรอกข้ามที่โจโฉกำลังคิดยังหนักอยู่เลแต่แฮล์รตุนก็เข้ามาทูลถามว่าคืนวันนี้จะใช้คำอะไรเป็นสัญญาณขางยานกันดีคือการอยู่ยานปั่นไฟกันตรงนี้ คำเรียกขานกับสัญญาณการเรียนรู้โจโฉที่มโนสาระวัลพเคราะห์ ข, า, ขาไก่อยู่อย่างนี้ก็พันปากออกไปว่าขาไก่แฮร์ริต้นไต่ยิงยังนั้นก็ถือว่าได้รับคำสั่งแล้วคืนนี้ให้ใช้สัญญาณขามยามว่าขาไก่คือในหมีพวกเดกันถ้าเจอกันมีถามถายขึ้นแต่ตอบคำนี้ก็หมายความว่ารู้กันรู้โคตรรับเป็นพวกเดียวกัน แค่ว่าตื่นเลยฟังความนี้ก็กลับออกนะครั้เวลาค่ำก็บอกกล่าวกันในมู่เวณยามทังง้งพวงให้คำยามใช้คำา่าขากายเป็นสัญญาณอยู่แหละเอียวฟิ่นี่เรามาเรามาดูลักษณะของผู้รู้ผู้รูถ้ถ้ามีโอกาสได้เอืตัวว่ารู้เมื่ อ, อไรเนี่ย แลก็อกรู้ออกไปเนี่มันย่ำแย่เอียวซูุ้ีิเอียวซูุ้ีิเป็นสมุบัญชีในกองทัพถ้าจะว่าเราเป็นตำแหน่งคล้ายๆกับซูมาอี้เหมือนกันแหละนะครับเอ่ออียวซิวอยู่มีปัญญาเพราะได้ยินคำขานยามว่าขาไก่เนรู้แจ้งแมนะ่นสัญญาใ น, นเ้าเนี่ยเอียวซิวมีช า, าดมากรู้มากนี่ เขาก็ใช้ความรู้เขาเนี่ยกราบขอภัยนะครับทําลายตัวเองซะอย่างนั้นแหละโดยการเอื้อรู้ขึ้นเด็กดีไอ้ความรู้ที่อยู่กับตัวเด็กดีอยู่เนี่ยครับให้มันรู้อยู่เถอะดีแต่ถ้าเอารู้นี่ไปบวื้ขึ้นอะไราแล้วก็ทีนี้วิธีการเอืรู้ของเอีลซี่เนี่ยมันหนักหนาซด้วยคือ อ่านตลอดไปถึงเหตุการณ์ทับต่างๆน า, นานาความในใจของโจโฉอ่านออกหมดเลยก็บอกทหารบรรดาผู้พ้องของตัวทีเดีย ว, ว่าเตรียมของได้ให้กระเตรียมข้าวของทั้งปวง้วยจะเลิกทับแล้วนี่โยซิวเอือดรู้ถึงชะ น, นีก็มีทหารคนหนึ่งเขาไปบอกกะแฮร์วส์ตุ้นว่า ันทนะ่านสมุสิวอียวซิวให้พพวกกลาบเรียนข้าวของแล้วว่าจะเลิกทัพกลับแล้วแฮร์เวิตนตัวเป็นทหารใกล้ชิดทหารใหญ่ก็ไม่ได้ข่าวอะไรเลยเอ๊ะข่าวมันมาได้ยังไงว่าจะกลับจะเลิกทัพเนี่ยก็จะองหาตัวเอียวซิวมาถามดีเดียวะท่านรู้ได้ยังไง มันจะยกทับกลับนี่ผู้ผู้รู้แต่เอารู้รให้ด้วยหมวดเขานี่ก็ตอบว่าเราได้ยินขานยามคําว่าขาไก่ก็รู้ได้ทันทีว่าโจโฉ จ, จ, จะยกทับกลับแล้วก็จึงให้กลับเรียนกันแฮว์ุด้วยควนมี้ก็ตกใจเหมือนกันก็ตนเป็นผู้เข้าไปรับรายงานขอสัญญาณขานยาม รถขาไก่เนี่ยแต่เจตัวจโ จ, จ, จสนุสู้ดิมันบอกว่าดิขาหยามันเนี่ยโจโฉจะถอยท่ยาปิดแผลหัวจก็ฝันทหารจัดแจงเตรียมตัวมาเหมือนกันจัดเตรียมเหมือนกันเตรียมถอยพ่าเหมือนกันเสี่ยมโจโฉไม่เวลากลางคืนวันนั้นนก็ดังกล่าวแล้วนะ่ะไม่สบายใจเลย ก็เที่ยวไปดูไปรอบๆขายก็เห็นหานทั้ปวงสรวนเก็บข้าวเก็บของกระเด็นต่างๆนานาประการก็ประหลาดใจก็กลับมาที่อยู่ก็เร็นแฮร์หิโอตต้นมาถามทหารทั้งพวงทำกันนะนะั่นอะอะไรกันนะแฮร์รต้นก็ทกูลว่าเอลซิ่วทำเสบืมม์ได้มาบอกข้าพเจ้าว่าจะเริดทักแล้ว ตฉวโฉวกเงนงานเป็นการใหญ่เหมือนกันก็ตัวเองเนี่แหละที่ไม่ได้ออกคําสั่งแต่สักอย่างเดียวเจ้าเรามีรู้ได้อย่างไรเจ้าโฉวร้เลยหาตัวเอลซิว่วเข้ามาแล้วก็ถามว่าท่านบอกแฮร์วัลตันดังเนี้ว่าเราจะถอยท้าวเนี่ยด้วยเหตุใดเอลซิว่วก็ทูลตามประษาผู้รู้ ว่าก้าเจ้าได้ยินทาหารขานยามวาขาไก่ก็รู้ว่าจะเลิกทับโจโฉได้ฟังก็โกรธทีเดียวก็เหมือนกับเดีซิ่งเนี่ยควักความในใจของโจโฉมาแผ่แย่การดินนลยสิโจโฉโกรธทีเดวเขา่ว่าท่านมากล่าวดังนี้ผิดนะมิแกลงใช้ทาหารเสียน้ำใจทั้งกองกทัพโทษท่านถึงตาย แล้วโจโฉจะว่าเด็กการปิดความระอายความอภิญญ์ปลดสูบประการใดของตนยังไงก็ช่างเถอะแต่ความผิดของเอลซี่มีถักกล่าวแล้วก็จริงและชัดตามพี่โจโฉแจ้งโทษและว่าทําให้ทหารเสียน้ำใจก็จริงมีคําสั่งประหารเอลซี่ทันทีให้ฐานเอาตัวเอลซี่ไปตัดศีษรษะเสียโดยที่ประตูค่าย ม่ให้ฐานทั้งปวงดูเยี่ยงอย่างกันต่อไปตอนนี้กล่าวถึงเอลซิ่วคนนสักนิดเดียวเไหมครับเอลซิว่วคนนี้แต่ก่อนมาเนี่ยก็เป็นคนมั่อวดตัวอันนี้ผมกราบขออภัยนะครับเราไม่ได้จะเอาท่านมาเหยีบ ย, ย่ำแต่ประการใดแต่เรามาฟังกันไว้ ที่เอามาใส่ไว้ในใจของเราให้จงได้บ้างเนี่ยขอท่านชี้แจงไว้เลยเนี่ยแต่ก่อนเป็นคนมักอดตัวว่ามีวิชาการดีมีความคิดโจโฉกเกรงเกรงแก่วิชาความรู้ของเอียวซิ่วอยู่และเมื่อครั้งมีผู้คิดรายโจโฉโจโฉอุบายสั่งคมสนิทว่า มีเป็นเหตุคือที่โจโวทําอะไรเนี่ยโดยแทย้จริงแล้วมันมีเหตุผลต่างๆนานา ม, มากประการอยู่ละมีเขาครั้งหนึง่งเคยมีก็หลายครั้งอที่มีผู้คิดร้ายโจโฉเนี่แต่ในครั้งนึงเนี่ยโจโวได้อุบายสั่งคนสนิทเข้าไว้ว่าเราเนี่ยนอนร้ายคือมักระเมอฆ่าคนนะถ้าเรานอนอยู่แล้วก็ย้ายผูดด้ใดเข้ามาใกล้นี่โจโฉสั่งคนสนิทที่อยู่ คนมีบัตรกรับใช้ใกล้ชิดดูนะทุกวันนในเวลาตอนกลางวันนี่แหละโจโฉก็แสงทําเป็นนอนหลับอยู่บนเตียงแล้วก็แกล้งทําให้พระโหมนอนเนี่ยตกออมาจากตัวก็มีคนสนิทผู้หนึ่งนะ่ะก็เดืวความจนว่านนี้นี่แหละก็เข้ามาหยิบพระโหมขึ้นวหมให้โจโฉเนี่ยโจโฉก็ทำมันตกใจลุกผาดลุกขึ้นทักกระบี่ฟันคนนั้นกลาความตาย แล้วก็กลับล้มตัวล้ น, นอนหลับต่อไปมีท่านโจงยิงเตะท่านก็ร้ายน้อยไปไม่ไรท่านจะสร้างเกราะป้องกันตนท่านไว้อะเอาขึ้นบอกแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นผัวขาดล้ม้อะฝันขับพ่อให้แล้วแล้วก็นอนหลับไปสักครู่นี้ก็ลุกขึ้นมาก็พอเห็นมีคนนอนลาอยู่นี่ก็แกล่งทำเป็นตกใจ อู้ใดเนี่ยมาฆ่าคนสนิทของเราเสียผู้คนมันปวห น, วนี่ก็รู้อยู่นี่ก็บอกความว่าเนี่ยท่านนอนอยู่แล้วระหมรู้ดจากตัวคนพวกนี้ก็ประหมไปห่มให้ท่านท่านก็ตกใจตื่นขึ้นมาแต่จะไม่ตื่นก็ไม่รู้อะท่านรู้เพื่อก็มียฟังถึงแต่ความตายแล้วจึงก็หลับต่อไปเนี่ยอืนโจโฉก็ทําเป็นร้องไห้ทีเดียวนี่ ว่าโจโฉไม่ร้องไห้แต่โจโฉก็ทำเป็นร้องไห้สั่งให้เอาศพผู้นี้ไปจัดการฝังคือสั่งให้ทำอย่างดีสำหรับศพคนผู้นี้พี่มาต้องเสียชีวิตไปเพราะตนเองโดยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยคนทั้งตัวที่รู้ไม่ท่าไม่ทันก็สำคัญว่าโจโฉนอนร้ายมักรเมือถึงฆ่าคน คนทั่วไปเขาก็คิดตามเนี่ยตามที่โจโฉ ว, วางเกมไว้ให้คิดก็มีจําเพาะเยลซิ่วคนนี้คนปวดรู้คนนี้เยลซิ่วคนนี้รู้หมดรู้อุายโจโฉได้ดีว่าติดทาอย่างนี้เพราะอะไรประการใดเนี่ยครั้งให้ยกเอาศพผู้ตายไปฝังเนี่ยเยลซิว่วมีคือคนปวดรู้เนี่ย ไม่ได้หรอกว่ารู้ที่จะรู้และจะไม่ให้อ้วกนี่รูเก็บไม่ได้มันต้องอัวกโดยวิธีย่ยวซี่ดีก็สมสารแก่ศพนี่มากพวกเขาไปพูดว่ามหาอุปราหาได้นอนฝันร้ายไหมนีม่เป็นเมกรรมของท่านเองท่านจึงตายไ ป, ไปอู่ยี่ยวซิ่ไปพูดอย่างนี้ โจโฉรแจงเท่านั้นเองแหะก็รู้ะ่ะอลซิว่วรู้เท่าทันตัวอซว่มารู้ทันตัวเนี่ยโจโก็โกรธอลซิว่วอยู่ในใจนี่เป็นความโกรธที่โจโฉมีต่อเอลซิว่วอีกเก่วน่ละ่ะอีกครั้งนี้โจเนี่ใครจะ ร, วร่วรู้ดูปัญญาโจสิ์โจผีบุทั้งสองคนกว่าใครจะมีปัญญากว่ากันอยากจะ สองคนเนี่ยใครที่มีปัญญากว่ากันก็ใช้ให้เดินออกไปนอกประตูวังและโจโฉก็หลอกให้คนไปสั่งในประตูวัด ว, วันนี้อย่าให้ใครออกไปจากประตูวังนะโจผีนี่เดินไปถึงประตูแล้วจะออกไปนายประตูห้ามไม่ให้ไปโจผีก็กลับมานายประตูห้ามฝ่ายโจศิ รั่วนในประตูห้ามไม่ให้โจผีผู้ผีชายออกไปนะก็มีความสงสารเก่ามีความเนี่ยมาถามอยอซิวว่าจะทำอย่างไรประการใดเนี่ยเอยซก็ตอบว่าก็มีรับสั่งเนี่ยรับสั่งใช้ให้ท่านออกไปอะ่ะท่านก็ต้องออกไปตามรับสั่งสิถ้าผู้ใดบังอากมาห้ามไวอ้อ่ะ ไอ้ทูนั้นก็ขาดรับสั่งนะสิข้ามันเสียมีเอลซิวสอนโจสิดังนี้ทูสิดเลิกฟังนี้ก็กลับมากระทําตามคําเอลซิวว่าระก็เดินออกไปไปถึงประตูวังนายประตูก็ห้ามไว้โจสิดก็โกรธระหัดนายประตูทีจดดว่าเอ็งมันบังอาจมาห้ามเราผู้ถือรับสั่งชนิดนะและโจสิดก็ฆ่าในประตูคนนั้นเสีย โจโรู้เข้าใจนี้คือคือรู้เพียงแค่ว่าโจสิษนะ่ะออกจากประตูได้ก็แล้วกันละเพราะโจโฉอยากจะดูปัญญาว่าใครจะเดินออกไปนอกประตูวันได้บ้าเนี่ยพอรู้อย่างนี้แต่รู้เท่านี้นะก็เข้าใจว่าโจสิษมีปัญญากว่าโจผีโจโฉเข้าใจอย่างนี้แต่ครั้งอยู่มาภายหลังได้มีผู้มากราบทูลโจโฉ ว, ว่าที่โจสิทธ์ทการได้ดังนี้เพราะ ได้ปัญญาเอลซิ้วสั่งสอนนี่โจโฉวในฟันก็โกรธเอวซิ้วอีกทั้งโจสิษ น, นั้นโจโวก็หาได้ยินดีในบุตรตคนนี้ไหมเพราะไม่มีปัญญาเองแต่โจโฉก็ยังทำอะไรกับเอลซิ้วไม่ได้นี่เป็นประการสองล้ลยไหมล่ะขึ้นม า, มา ก็มีเหตุการเกิดที่โจโฉถามการสงครามกับโจสิกโจสิกก็บอกแจ้งแต่ทุกประการไม่ขับสนไม่ปิดไม่ขัดจะถามประการใดอย่างไรต้องทําอย่างไรเนี่ยโจสิกก็ชี้แจงโต้อตอบไม่ถูกต้องเพราะอียวซิวนะสั่งสอนโจโฉก็ยืดคิดสงสัยนะ่ะอยู่มาวั น, นโจผีผู้บุตรมาบอกไก่โจโฉว่ะ ซึ่งโจสิรู้หลักมากมายนั้นเพราะได้ความคิดเอียวซิ่วสอนมารอกโจโถก็ยิ่งมีความโกรธเอียวซิ่วสมุขนนี้เป็นนั้นมากขึ้นก็พยาบาทใครจะฆ่าเอียวซิ่วให้จงได้ครั้งมาถึงสิที่อับจนอยู่้าตำบลขาวเสียกโกพอเอียวซิ่ว กระทำความผิดในกรณีเรื่องขาไก่เท่านี้เบื่อความร่วงรู้เป็นการบอกได้ว่าเอียลซิวสมุทรนี้รู้รู้เท่าปัญญาความคิดโจโฉนี่โจโฉน่ะพยายามเอียลซิวอยู่แล้วจากเหตุหลายประการดังกล่าวมาแล้วเนี่ยมาบัดนี้ได้ทีแล้วเชะนี้จึงให้ฆ่าเอียลซิวเสีย แต่โจโฉก็ทำเป็นโกรธจะถึงฆ่าแฮว์วตุ้นซะด้วยเหมือนกันละ่ะแต่อีกอย่างน้อยประการนึงที่เราพอจะเห็นได้ชัดดูทีเดียวว่าโจโฉเนี่ยไม่ใช่ว่าจะถือแค่อเมร์แต่ประการเดียวคือจะสั่งฆ่าใครประการใดอย่างไรเนี่ยโจโฉก็กระทําได้แต่โจโฉก็ไม่ทำเช่นนั้น ก็จะต้องให้มีข้อหาอมีข้อหาสาเหตุให้เหมาะสมวยก่อนโดทุกประการจริงจะกระทำละ่ะเอาเนี้ยฟังค่าเยวซิวละก็ไม่ข้อหาว่าท่านมากล่าวดังนี้ผิดมะดิจแกลงให้ทหารเสียน้ำใจทั้งกองทัพโทษ ถ, ถึงตายเยลซิวจึงตายแต่จากนันโจโฉก็ทำมีโกรธจะกฆ่าแห้วรตวเ ถามนะจิตสั่งถามไม่กลับเรียนเข้าของดูเหมือนกันนี่คุณนางท่านพวงก็ไปทูลขอโทษให้แฮร์ริ่ตุ้มว่าโจโฉก็กระหวัดไว้แฮร์ริ่ตุน้นไม่ถอยไปจากที่นั่นแล้วก็สั่งว่าผู้นี้เราจะยกไปแบบครั้งรุ่งเ ช, ช้าโจโฉก็ยกทับก็ออกจากหุบเขาเสียกกฤตจริงจังเลย โจโถเริ่มถอยยกท่าออกจากขุดเขาเสียกโกอุาก็พอดีวีเอียงวีเอียงพูนี้